ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินอินทเสระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่สี่ชัยชนะประการที่สี่กล่าวทิ้งชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับโจรองค์คุลิมานก็มี เดินย่อบปไอหิงสกะโุ ม, มานเร็นบุตรพรมปุโรหิตพอไปเรียนหนังสือที่สำนักจักกศิลานี่ก็ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนถึงพันคนเพื่อประกอบวิชาการอาหิงสกะจึงเที่ยวฆ่าคนแล้วก็เอานิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนคอ จึงเรียกกันว่าองค์ุลิมานหรืออังคูลิมานภาษาบาลีก็เป็นอังคุรินะฮะอังคูลิมานอังคุลีองค์ุลีะนะแปลว่ามีนิ้วเป็นมาเลยเช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดโดยเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลกององค์ุลิมานโจรแล้วจึงเสด็จไปโปรดชงให้ องคุลิมาณคลายพยศ ด, ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนแล้วจึงทรงสั่งสอนในภายหลังอันนี้ท่านผูกเป็นคำฉันไว้ขึ้นต้นว่าอุคิตตะขักธรรมติหัตถะสุดารุนันตังทาวันติโยชนะประถังคุริมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินโท กันเตชสัสสะภาวะตุเตชัยมังคลานิก็ปแปลว่าโจรชื่อองคุลิมานมีฝีมือเก่งกล้าถือดาบเนื้ง่าวิ่งไล่พระองค์ไปตลอดทางหลายโยุะพระจอมมุนีได้เอาชนะด้วยอิทธิปาฏิหารและด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน ถ้าเราสวดเองก็เปลี่ยนเป็นปันเตชัสาภาะวะทุเมชัยะมังขลานิสวดเอาตัวเองก็เป็นชัยะมงคลขอชัยะมงคลจงมีแก่เราทีนี้ก็ผมขอลงลึกลงรายละเอียดอีกหนึ่งนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของจนองคุลิมานหรือต่อมาภายหลังเป็น พระองคุลิมาใจความสำคัญก็จากาองคุลิมาและสูตรนะครับในมัทิมานิกายพระองคุลิมาเกิดในตระกูลรามาผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเกษตรนานะทิโกษลโคดของบิดาก็คือทัพข ะ, ขะโคดของมันดาคือมันตานี ก็เป็นสกุลพราหม์ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดากล่าวกันว่าคืนที่พระองคุริมานเกิดนั้นหาวุธต่างๆลุกโผล่ขึ้นเป็นอัศจรรย์อาจเป็นนิมิตหมายในทางไม่ดีผู้เป็นบิดาจึงตั้งชื่อว่าอาหิงสักกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน เพื่อเป็นการแก้นิมิตนั้นไปในตัวตั้งแต่เล็กจนโตนะครับปรากฏว่าไอาหิงศ ก, กะิ์ประพฤติตนเรียบร้อยเสมอมาไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสมชื่ออหิงศ ก, กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแล้วก็สมใจของมารดาปิดาเป็นคนฉลาดและใจดี เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ผู้สอนวิชาในปฐมวัย<ม>เมื่ออาิงส ก, กัมีอายุพอไปศึกษาลาวเวียนระดับสูงได้แล้วปิดาก็ได้ส่งให้ไปศึกษาณเมืองตักกศิลาไปในฐานะเป็นธรรมันเตวาสิกธรรมันเตวาสิกนี่คือศิษ ผู้ศึกษาธรรมอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นธรรมอาจารย์แสียผู้ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ต้นนิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียนก็มีสิทธ์อยู่สองจำพวกนะครับจำพวกหนึ่งก็คือต้นนิบัติอาจารย์ปฏิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียน แต่ก็อีกพวกหนึ่งเขาจะไม่ต้องทนนิบัติอาจารย์ถ้าเสียค่าเล่าเรียนที่ยิ่งบิดาของท่าน อ, าองค์ุลิมานหรืออหิงส ก, กะนี่ก็ อ, อยู่ในฐานะเป็นราชฎปุรโรหิตก็มีฐานะพอที่จะให้เสียค่าเล่าเรียนได้แต่ก็ต้องการจะฝึกรู้ให้รู้จักรดนิบัติอาจารย์อยู่ใกล้อาจารย์อ จิตว่าน่าจะได้อะไรดีกว่าที่อยู่ห่างก็เลยให้ไปเรียนในฐานะเป็นธรร ม, มันตวาสิกพรนิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียนอหิ้งส ก, กะาเป็นคนมีความประพฤติดีพูดจาไพเราะเรียนดีเป็นที่รักใคร่สนิทสนมของอาจารย์ส่วนสิษย์อื่นๆก็อยู่ห้างแต่แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้น เพราะความริษยาเกิดขึ้นในใจของเพื่อนร่วมสำนักเพราะความเก่งและความดีของอาหิงสกะอันนี้ก็เป็นแง่คิดให้เราได้คิดเหมือนกันนะครับว่าคนที่เขาเกลียดชังเรานั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปทาชั่วทาเสียอะไรเสมอไปว่าเราเป็นคนดีเราทำดีเราเป็นคนเก่ง บางทีอาจจะเก่งเกินไปแล้วคนที่ริษยยาก็ไม่ชอบเราหาทางกันแกร่งดังจากความดีความเก่งของเรานี่เป็นเป็นสิ่งที่เพาะศัตรูขึ้นโดยที่เจ้า ต, ตัวไม่ค่อยรู้ตัวคือว่าถ้าเราไปกันแกล้งใครไปทําร้ายใครไปใส่ร้ายใครแล้วเขาโกรอดเขาเกลียดเอานี่เรารู้ เราพอรู้ได้ว่ามีใครบ้างที่เกลียดเราไม่ชอบเราแต่คนที่เกลียดเราไม่ชอบเราโดยความดีและความเก่งของเราเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้แล้วก็มีมากไปด้วยไม่ใช่มีน้อยมีมากเพราะว่าคนส่วนมากนั้นเมักจะมีจิตวิสยาแล้วก็เอาชนะมันไม่ได้ตบมันไม่ลง คนดีคนเก่งจึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอคือว่ า, เ, าเป็นเป็นที่เพ่งเล็งเป็นที่ไม่ชอบของคนบางพวกที่เขาไม่ชอบคนดีไม่ชอบคนเก่งโดยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือเขาคิดว่าจะแข่งขันกัน ท, ทั้งทั้งที่บางคน ก็ไม่คิดจะแข่งขันกับใครอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องรายเรื่องหนึ่งของคนดีและคนเก่งซึ่งจะต้องระวังต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีแล้วจะไม่มีศัตรูก็เป็นทางเพราะศัตรูทางหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคือว่าจะไม่ให้เป็นคนดี อย่างนั้นหรือแล้วเลิกเป็นคนดีแล้วเลิกทำความดีหรืออย่างไรมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเ็าควรจะรทำความดีเพาเป็นคนเก่งและเป็นคนมีชื่อเสียงไ อ, อ้ความมีชื่อเสียงนั่นก็เป็นสิ่งที่นำอันตรายหรือว่าศัตรูมาสู่ตัวเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องยากนะครับก็เป็นเรื่องยาก ตอนนี้ก็พวกศิษย์อื่นๆที่ริษยาอาหิ ก, กะก็คิดทําลายอาหิงส ก, กะแล้วก็วางแผนว่าจะทําลายเขาอย่างไรดีจะใส่ความว่าโง่งก็ไม่ได้เพราะว่าเขาฉลาดกว่าใครๆจะว่าความประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้จะว่ามีชาติกูลต่ำก็ไม่ได้เพราะเป็นอุพโตสุชาติเมื่อเกิดดีแล้ว จากมารดาปิดาทั้งสองฝ่ายมีด้บกพร่องเรื่องชาติกูลทีนี้วพวกเขาก็มองเห็นช่องทางอยู่อย่างหนึ่งคือยุยงให้อาจารย์เกลียดฉังหาหิงส ก, กะวิธีทมก็แบ่งกันเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเข้าไปหาอาจารย์บอกท่านว่าอาหิงส ก, กะคิดประทุษร้ายอาจารย์ ดีตนเสมออาจารย์อาจจะเก่งกว่าอาจารย์ตอนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งแต่ก็ถูกอาจารย์ซึ่งไม่เชื่ อ, อไล่แต่เพื่อไปแล้พวกที่สองเข้าไปอีกก็โดนอย่างเดียวกันพวกที่สามเข้าไปกล่าวทํานองเดียวกันว่าอหยงสั ก, กะิมักใหญ่ไฟสูงแข็งดี ต้องการประสุดสายอาจารย์แล้วก็เป็นเจ้าสำนักเสียเองอาจารย์เป็นคนฉลาดสอนสิทธิ์ได้ก็จริงแต่เป็นคนหวงตำแหน่งและเชื่อง่ายเมื่อได้ฟังสิทธิ์พูดตรงกันถึงสามพวกก็เชื่อ ไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นแผนร้ายของคนทีริสยาอาจารย์คิดว่าจะฆ่าสิทธิ์โดยไม่ได้ไตาถามหรือสอบถามด้วยตนเองเลยสักคำตรงนี้ขอท่านผู้ฟังสังเกตดูให้ดีนะครับอาจารย์คิดจะฆ่าสิทธิ์โดยไม่ได้ไต่ถามหรือสอบถามด้วยตนเองเลยสักคำ ไม่ได้เรียกไอ้หิงส ก, กะมาถามเลยอย่างที่อาจารย์กับสิทธิ์จะพึงถามกันเดีย อ, อย่างที่พ่อกับลูกจะพึงถามกันลูกสิทธิ์เขคือเหมือนลูกฐานะหนึ่งเป็นสิทธิ์ฐานะหนึ่งเป็นลูกอแต่ว่ากัานจะค่าด้วยตนเองก็เกรงคำกระด่าหาว่าอาจารย์ข้าสิทธิ์คนเก่ง ก็เลยคิดว่าจะหวานมือคนอื่นฆ่าดีกว่าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกไอิงศ ก, กมาพบได้บอกว่าศิลปะของไอิงศ ก, กต้องมีเครื่องประกอบจึงจะสาเร็จด้วยดีไอิงสกก็เรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะให้ทำอย่างไรอาจารย์บอกว่าต้องไปฆ่าคนพันคน เพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ศิลปะและเป็นการบูชาครูด้วยอ้หิงสกกะได้ดินอาจารย์ว่าเขาเกิดในตระกูลที่ไม่มีการเบียดเบียนชื่อของเขาเองก็หมายถึงการไม่เบียดเบียนจะไปฆ่าคนได้อย่างไรอาจารย์ก็ย้ำว่าถ้าไม่ไปฆ่าคน ก็เรียนไม่สาเร็จก็ตามใจตามใจนะตามใจถ้าเธอไม่ต้องการให้ศิลปศาสตร์ที่เรียนมาสำเร็จหรือไม่ต้องการสำเร็จวิชาที่เรียนมาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามใจอายิงสกะเป็นคนซื่อเชื่อในคุณธรรมของอาจารย์สเสมอมาแล้วก็คิดว่าอาจารย์หวังดีกับตนมาโดยตลอด จึงไม่ได้เฉลียวใจในกลอบายยืมมือคนอื่นฆ่าตนของอาจารย์จึงได้จับอาวุธเข้าป่าเพื่อฆ่าคนมาประกอบศิลปาศาสตร์กาไปนับไปหนึ่งสองสามเป็นต้นนะครับแต่เมื่อฆ่ามากข้าวก็จำไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าใจต่อมาจึงตัดนิ้วเก็บไว้ มันก็หลุดหายไปเสียบ้างเขาจึงเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอไวคนทั้งหลายจึงเรียกนักฆ่าผู้นี้ว่าองคุริมานแปลว่ามีนิ้วมือเป็นมาลัยน่าสงสารนะครับพิจนารณาในแง่นี้แล้วน่าสงสารองคุริมานแล้วก็ความหมดไรของอาจารย์ อาจารย์ไม่ได้ฆ่าองค์คุริมานคนเดียวแต่อาจารย์ฆ่าคนเป็นนั้นมากคนที่ฆ่าคนจริงๆไม่ใช่องค์คุริมานแต่เป็นอาจารย์อที่ไม่มีคุณสมบัติของอาจารย์มันมันน่าน่าสะเทือนใจแล้วก็น่าเศร้าใจเท่าใหองค์คุริมานเที่ยวฆ่าคนในป่า ในทางสามแพร่งสี่แพร่งจนเป็นที่หวาดหวั่นของผู้เดินทางทั้งหลายวันใดไม่มีคนให้ข้าในป่าเขาก็เข้าหมู่บ้านในเวลากลางคืนถิบประตูเข้าไปฆ่าคนถึงในเรือนหมู่บ้านต้องถอยร่นไปตั้งในนิคมนิคมต้องถอยไปตั้งในเมือง โจรภัยทำให้มนุษย์ทิ้งบ้านเรือนจูงลูกหลานเข้าสู่นครสาวัตถีเป็นระยะทางถึงสามโยชนั้งค่ายที่พักและร้องเรียนต่อพระราชาพระบุโรหิตผู้เป็นบิดาของอาหิงส ก, กะทราบว่าโจรองคุริมานคงต้องเป็นลูกของตนเป็นแน่แท้ จึง ป, ปรึกษากับพระมณีผู้เป็นพัญญาว่าในเราสองคนนี้ควรต้องไปช่วยลูกคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเขาต้องถูกพระราชาจับมาประหารชีวิตแน่นอนพรรมณีขอร้องขอร้องให้พรมผู้เป็นบิดาไปแต่พรมปุโรหิตปฏิเสธพร้อมด้วยอ้างสุภาษิตที่ว่า ไม่ควรไว้วางใจในคนสีจจำพวกคือหนึ่งไม่ควรไว้ใจโจรว่าเป็นเพื่อนเก่าสองไม่ควรไว้ใจเพื่อนว่าคบกันมานานสามไม่ควรไว้ใจพระราชาว่านับถือหรือโปรดปรานสี่ไม่ควรไว้ใจหญิงว่าเป็นเครือญาติของเราเมื่อสามีไม่ยอมไป ธ ร, รมนีก็ตัดสินใจไปเองเพื่อนำบุตรมาและเพื่อให้ปลอดภัยจากการจับและการจองจำของพระราชาตรงนี้ท่านจะมองเห็นความรักของแม่ของมานดาแม่รักลูกกับพ่อรักลูกมีลักษณะที่ต่างกันว่าแม่รักลูกด้วยเห็นว่าเป็นลูก พป่ลูกจะเป็นอย่างไรแต่แม่ก็ยังรักเพราเป็นลูกแต่พ่อจะรักลูกคนที่ทำอะไรสมใจปองทำอะไรสมใจทำอะไรถูกใจทำอะไรได้อย่างใจพ่อจะรักลูกชนิดนั้นประเภทนั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะรักลูกที่ ไม่ทำอะไรตรงใจถูกใจเป็นไปอย่างใจอันนี้ก็โดยธรรมดาทั่วไปก็มักจะเป็นอย่างนั้นอาจจะมีข้อยกเว้นบางก็เป็นเรื่องของกฎข้อยกเว้นในข้อที่ว่ากฎทุกอย่างมีข้อยกเว้นโดยปกติท่านก็กล่าวกันไว้เสมอว่าจิตใจของมันดาออนโยนต่อปุดมากกว่าจิตของบิดา พระมณีก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะนำบุตรกลับมาให้ได้โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆเช้าวันเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง ต, วตรวจดูปณนสัยของเวณัยศัสตร์ที่พระองค์พอจะโปรดได้จนองคุลิมานเข้าไปสู่ขายพระาน ทรงมองเห็นเหตุการณ์นในอนาคตทั้งหมดว่าผลดีอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพระองค์เสด็จไปโปรดมันดาขององคุริมาจะปลอดภัยองคุริมาเองจะไม่ต้องประกอบอนันตริยกรรมกรรมหนักอันจะแก้ไขไม่ได้คือการฆ่ามันดาจึงเสด็จออกไปบินธบาตจอย่างธรรมดาในเวลาเช้า เสมยแล้วก็เสด็จไปทางที่โจรองคุริมานอยู่เสด็จไปแต่พระองค์เดียวแม่ผู้พบเห็นพระองค์ระหว่างทางห้ามไม่ให้เสด็จไปทางนั้นเพราะมีโจรโหดร้ายซุ่มอยู่แต่เขาหาส่งฝังไม่เพียงแต่ส่งนิ่งแล้วเสด็จต่อไปข้าโจรองคุริมาน เลือดร้อนพรุงพร่านเพราะเป็นอยู่ต่างพืชเครื่องมานานลำบากในเรื่องการกินการนอนมนุษย์ถูกเข่าฆ่าไปแล้วถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเขาคิดว่าเหลืออีกเพียงคนเดียวก็จะครบทันคนเห็นใครก่อนก็จะฆ่าผู้นั้นเพื่อให้เต็มจำนวนและก็เพื่อทำ อุปจารละเพื่อุปรกรณ์แก่ศิลปศาสตร์เป็นการบูชาครูเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้อาบน้ำตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าใหม่แล้วไปหามานดาปิดาเขาคิดถึงมานดาปิดามากองคุลิมาออกจากกลางดงมายืนอยู่ปากดง ได้เห็นพระภูมิประพาจ้าวแต่ไกลชะโงนว่าน่าจะจริงหนอที่สมณะผู้นี้เพียงผู้เดียวเดินมามีท่าทางสง่าไม่หวั่นเกริงคนเป็นพวกพวกพวกละสิบ บ, าบา้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างยังต้องรวมเป็นพวกเดียว แล้วจึงกล้าเดินมาทางนี้เขาเหล่านั้นยังต้องพินาศเพราะมือของเราถ้าอะไรเราควรจะฆ่าสมณะนี้เสียเป็นจำนวนคนที่หนึ่งพานพอดีเป็นมงคลแกศิลปศาสตร์ของเราองคุริมาถือดาเะโลกผูกสอดแร่งธนูติดตามพระภูมิพระภาคร้างไป ก็ในขณะเดียวกันนั้นนะครับพรผู้มีพระ ภ, ระภาคจเจ้าก็ส่งบันดานลฤทธิ์เรียกว่าอิทธาพิสังขารอิทธาพิสังขารแปลว่าส่งทำฤทธิ์ให้เกิดขึ้นแปลว่าทรงบันดาลโวยฤทธิ์แม่องค์ุลิมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจให้ทันได้ ทางทางที่พระองค์เสด็จไปตามปกตินั่นเอง เ, อเรื่องฤทธิ์นี้ <c oughs> จะเป็นอย่างไรเป็นความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างไรเอาไว้เป็นนิชัยสักครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นภาพหนวกของเรื่องพระองค์ุลิมานนี้ก็ได้พระองคุลิมานคิดว่าเมื่อก่อนนี้ แม้ช้างมา้าเนื้อกำลังวิ่งรถกำลังแลนเราก็ ย, ยังวิ่งตามจับได้แต่บัดนี้เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่ทันสมณะภูน้ซึ่งเดินไปตามปกติองคุลิมานหยุดแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อน พระผู้มีพระภาคเจ้าจดัดตอบว่าองคุริมานเราหยุดแล้วท่านจงหยุดด้วยเถิดองคุริมาลเราหยุดแล้วท่านจงหยุดด้วยเถิดอาที่ท่านผู้ฟังได้ยินโดยทั่วไปก็มักจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าองคุริมาลเราหยุดแล้วท่านต่างหากกล่าวยังไม่หยุดอันนั้นก็ได้แต่ว่าตามพระไตรปิฎกในอังคุริมาลสูตร ข้อความมันเป็นว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดด้วยเถิดท่โตอังอังคุลิมาละต่ะวันจะติดทะเราหยุดแล้วท่านจงหยุดด้วยองคุลิมาคิดว่าสมณะสักยบุตเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะภูนีเดินอยู่กลับพูดว่าเราหยุดแล้วและท่านจงหยุดเสรด้วย น่าจะมีความหมายอะไรลึกๆอยุ่ถ้ากระไรเราพึ่งถามความหมายนั้นเมื่อองคุลิมานถามถึงความหมายแห่งถ้อยคำที่กล่าวพระผู้มีพระภาคยา้าเจงจัดว่าเราวางอัจญาในสัตว์ทั้งหลายได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อ ส่วนท่านไม่สัมรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่ายังไม่ยุดองคุลิมานเป็นผู้ฉลาดอยู่แล้วได้ฟังพระพุทธดำรัสอันคมคายเช่นนี้จึงได้สติทิ้งดาบไปอาวุธลงในเหวลึกถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตเจ้าพร้อมด้วยทูลว่า เป็นเวลา น, านานนักพระเจ้าค่ะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ผู้อันเทวดาและมนุษย์ปูชาแล้วจะเสด็จมาโปรดองคุริมาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศัสดาทรงประทานอุปสมบทด้วยเอหิพิกุปสัมปทาวิถี แล้วนำพระองคุลิมานมาสู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีกล่าวถึงมาชนที่ประชุมกันณประตูพระราชวังได้กราบทูลพระราชาขอให้เสด็จออกไปปราบโจรองคุลิมานพระราชาแม้จะทรงหวัดวันต่อฝีมือของโจรคนนี้อยู่ไม่น้อยแต่ด้วยขัตติยมานะ จึงเสด็จออกพร้อมด้วยขบวนมาประมาณห้าร้อยไม่ลืมว่าไปเฝ้าพระู้บุมีพระพักเจ้าก่อนโดยคิดว่าหากทรงเห็นเหตุการณ์อันจะเป็นอันตรายต่อพระองค์ก็คงจะส่งห้ามเมื่อพระองค์เสด็จกลับด้วยเชื่อว่าพระบุมีพระพักเจ้าก็จะไม่ส่งเสียพระพัก หากทรงเห็นชัยชนะในการไปปรับโจรก็คงจะทรงดุสณนีเสียสเสด็จลงจากรัชยานแล้วสเสด็จด้วยพระบาทถาวายบังคมพระศัสดาและประทับหน้าที่ขวรส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามหาบบพิดพระเจ้าพิมพิสารจอมเซนาแห่งแคว้นมคดหรือเจ้าลิชวีแห่งเมืองเวสาลี ทำให้ไม่พอพระไทยรือจึงนำกองทัพออกมามากเช่นนี้พระเจปาปเสนทิ่กสลกราบทูลลากเรื่องโจนองคุลิมานให้ทรงทราบและทูลว่าที่เสด็จออกนี้ก็เพื่อปราบโจนองคุลิมานพระสัสดาได้จัดว่ามหาบพิษหากพระองค์ทอดพระเนตรองคุลิมานผู้รงพรมเล่นนวย น่งหมภาคกาสายะเป็นบรรพชิตเป็นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นได้แล้วมีศีลมีกัรระยานธรรมมหาบาพิษจะพึงทำอย่างไรกับองคุ ร, รีมานแล้วพระเจ้าเปรตนาทีกราบทูลว่านั้นข้าพระองค์ก็จะทำความพอรพกราบวัดเชิญเชิญอัสนะพึงคุ้มครองท่านโดยธรรมแต่องคุยมารจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าข่า พระศัสดาทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นที่ไปที่ภิกษุรูปหนึ่งพร้อมด้วยจัดว่ามหาบพิตรองค์คุลิมานนั่งอยู่ที่นั่นพระเจ้าประสินที่ทรงตกพระไถยพระศัสดาทรงทราบเช่นนั้นจึงตรัสกลอบว่ามหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยบัดนี้ัยจากองคุลิมานไม่มีอีกแล้ว พ ร, พระเจ้าประเสิทีิ์าหายสะดุ้งแล้วเข้าไปหาพระองค์คุริมานจัดถามว่ามารดาบิดาของท่านมีโคตอย่างไรพระองค์คุริมานทูลตอบว่าหมาบอบพิษทักษะเป็นโคตของบิดามันตานีเป็นโคตของมารดาชาวันหนึ่งพระองค์คุริมานออกไปบินทะปา ในเมืองสาวัตถีเห็นหญิงคนหนึ่งมีคันแก่าทางลําบากเพราะคันท่านคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอนสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอนสังกิริสันติวัตถโพสัตตาสกิริสันติวัตถโพสัตตาสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอนท่านกลับจากบินทบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระสัสดา กลับทูลสิ่งที่ได้เห็นและความคิดให้ทรงทราบพระศัสดาตรัสว่าถ้าต้องการช่วยเขาให้ไปหาเขาและกล่าวสัจจวาจาว่าตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยแกล้งฆ่าสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและขันของท่านพระองคุริมานกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ ถ้ากล่าบเช่นนั้นข้าพระองค์ไม่กล่าวเท็จทางรู้ไปสือเพราะข้าพระองค์เคยฆ่าสัตว์เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอพึงเพิ่มเติมข้อความลงไปว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดแล้วโดยอริยชาติคือได้ปวดแล้วข้าพเจ้าไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์เลย ด้วยสัจจะอันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและขันของท่านพระองค์ุริมาลทูลรับรับคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปหาหญิงเมฆขันแก่นั้นได้กล่าวกับเธอด้วยความปรารถนานดีตามคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่ปรากฏว่าความสวัสดีได้มีแก่หญิงนั้นและขันของเธอ ข้อความในองคุลิมาละสูตรได้เล่าต่อไปว่าหลังจากนั้นพระองคุลิมาลีกออกจากปู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตไม่นานนะ ก, ก็ได้สำเร็จอรหัตผลอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ผู้บวชประสงค์ได้รู้ชัดด้วยตนเองว่าความเกิดสิ้นแล้วจิตที่ควรทำได้ทาเสร็จแล้ว ท่านเป็นพระอาหารหันตุหนึ่งในพุทธศาสนาแต่บาป ก, กรรมที่ท่านทำไว้ด้วยการฆ่าคนเป็นอันมากได้มาสนองท่านบ้างเพียงเล็กน้อยคืออวันึอกท่านออกปินป่าในสาวัตถีก้อนดีดบ้างทนบ้างที่บนข้างไปแม้ทางดืง่นดังนั้นพระองคุรยมานศีษะแตกโลใสีบอนสองชั้นสำหรับผมเข้าบ้าน รือข่มเวลาหนาวฉีกขาดท่านเข้าไปเฝ้าพระสัสดาในสภาพเช่นนั้นก็พระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วจัดปลอบว่าองคุริมานจงอดกั้นเถิดเธอได้เสวยผลกรรมอันเป็นเหตุให้ไม้หลายพันปีในปัจจุบันนี้เท่านั้นต่อไปจะไม่ให้ผลอีกต่อไปจะไม่ให้ผลอีก พระองคุริมานได้ทูลลาพระสัสดาหรีเพ็นไปพักหน้าที่สงบแพงหนึ่งสเสวยวิมุตติสุขด้วยสุขจากความหลุดพ้นได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้ใดทำบาปกรรมไปภายหลังปิดกั้นเสียด้วยกุศล พิกสุดไดแม่ยังเป็นหนุ่มแต่รู้จักขนวายในพุทธศาสนาผู้นั้นยอมทำโลกนี้ให้สาบางเหมือนจันเป็นประจักษ์เมตหมอดขอผู้เป็นศัตรูของเราจงฟังธรรมกถาเถิดขอจงขนวายในพุทธศาสนาจงครอบสัตว์บุรุนชวนให้ถือธรรมเป็นหลักเถิดขอศัตรูของเราจงมีความผ่องแผ้วหรือขันติ มีความสรนเสริญคือความไม่โกรธหรือเมตตาจงฟังธรรมตามการและจงกระรทำปฏิบัติตามธรรมนั้นผู้ที่เป็นศัตรูทั้งหลายไม่พึงเบียดเบียนเราและไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นพึงบรรลุ ถ, ถึงความสงบอย่างยิ่งและพึงรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีตัณหาอยู่และผู้ปราศจากตัณหาแล้วคนทดน้ำย่อมทดน้ำไป สร้างสอนย้อมดัดลูกศรนช่างถากย้อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายต้องฝึกตนคนบางพวกฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท่บ้างเราเป็นผู้ที่พระภู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อัจจะไม่ต้องใช้สัตยาเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงส ก, กะผู้ไม่เบียดเปลี่ยนแต่อย่างเบียดเปลี่ยนสัตว์อยู่ มาบัดนี้ชื่อของเราตรงต่อความเป็นจริงแล้วเราไม่เบียดเบียนใครเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมันถูกกิเลสดุดพ่วงน้ำใจพัดไปเป็นผู้มีมือเปื้อนเลือดเมื่อถึงพระพุทธเจ้าเป็นศาณะแล้วจึงถอนตัณหาอันนำไปสู่ภพเสียได้เป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะของชาวเมือง คนบาลสามปัญญาย่อมประกอบตนด้วยความประมาทแต่ปรารถนทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไวเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบตนด้วยความประมาทอย่าชื่นชมด้วยความยินดีในกรรมเพราะผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ยอมถึงสุขอันไพยปูดการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเป็นการดีมาก ไม่ได้ประโยชน์เลยเราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทําตามแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับข้อความทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นในเรื่องพระองคุลิมา น, นะครับก็ได้ย่อความมาจากอังคุลิมาลสูตร และอัธกถาของอังคุริมาลาสุในพระสุตันตปิฎกมัชิ ม, มานิกายมัชิ ม, มปันน่าย่ยอความแล้วก็เรียบเรียงใหม่ให้เป็นภาษาที่ง่ายขึ้นนะครับก็มีข้อความที่สำคัญเปลี่ยนเท่านี้เท่าทาี่ได้กล่าวมานี้